อีกข้อหนึ่งภิกษุหายอาพาธแล้วหายจากความเป็นผู้อาพาธยังไม่นานเธอก็ย่อมมีความคิดอย่างนวาสเรานี่หายอาพาธแล้วแต่ว่าหายอาพาธยังไม่นานข้อที่อาพาธจะเพลินกกลับกำเริบขึ้นเนี่ยเป็นฐานะที่จะมีได้อะ น, นะคือป่วยแล้วแต่ว่าหายป่วยไม่นานเนี่ยดีนี่มันอาจจะกลับไปป่วยขึ้นก็ได้โรคอันนี้ เพราะฉะนั้นก็ช่างเธอเราจะปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งเธอก็ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรลุธรรมะที่ยังไม่ได้บรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมะที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งนี่คือเหตุเป็นที่ตั้งแห่งการปราลบความเพียรข้อที่8ปดนั่นนะก็หาเหตุจนต้องเจริญกุศลนะนะสรุปนะอย่างแปดข้อที่กล่าวไปเนี่ยไม่มีข้ออ้างที่จะไม่เจริญกุศลแม้แต่ข้อเดียวนั่นนะ กับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะมีข้ออ้างทั้งตีเหมือนกันเถอที่ที่จะไม่ต้องเจริญกุศลเนี่ยนะสรุปจริงเน่ยนะจากศึกษาอันนี้แล้วแต่คนจริงๆริงนะบางคนนี่หาข้อหาข้อแม้จนจนไม่ต้องเจริญกุศลแล้วก็หาข้ออ้างว่าฉันไม่เจริญกุศลก็ไม่ผิดอะไรก็ไม่เสียหายอะไรเพราะได้เหตุที่สมควรเ น, นี่ยนะกับอีกคนหนึ่งมันจะยังไงก็ช่างเถอะจะต้องรีบเจริญเ น, นี่ยนะเขาบอกว่าทั้งที่กรุงเทพนะั้นมีเขาเล่าว่า คนที่เขาทํางานเนี่ยนะไปเรียนอภิธรรมตอนที่หยุดงานกลางวันรีบไปเรียนเรียนเสร็จจะได้กลับไปทํางานต่อเพราะเวลาเขาน้อยมากเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงว่างๆพอที่จะมีก็ต้องรีบเรียนเข้าไว้ระหว่างกันนะสําหรับคนที่เขาจะเรียนนะคนที่เขามีความเพียรเขาก็บอกว่าไอ้เวลาที่มันน้อยเต็มทีจะต้องรีบศึกษาเนี่ยนะไอ้คนที่ไม่อยากจะเรียนนะนะโองานยุ่งมากเรียนไม่ได้เราหาเหตุผลจนไม่ต้องเรียนะนะก็อันนี้ก็แล้วแต่ใคร ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอลยฮะเหตุผลยากบ้างไกลบ้างอะไรบ้างสรุปว่าชั้นอยู่ของชั้นอย่างนี้ก็ไม่เสียหายอะไรเหมอนกันเถอะแต่ทีนี้ถาดนี้ก็ตามสมควรใช่ไหมถ้าเพียนแล้วถ้าถ้าเกลียคลานแล้เมียนี่สงไหมมีแต่อนนี้สงที่เขาไม่ปรารถนากันอะนะเพราะอะไรในโลกนี้ที่จะไม่เป็นปัจจัยอ่ะไม่มีใช่งนั้นความเกลียคลานก็จะเป็นปัจจัยอีก อีกอย่างหนึ่งแต่เป็นปัจจัยแห่งอกุศลทีนี้อกุศลนี่มันเป็นปัจจัยกับอะไรต่อไปนะเป็นปัจจัยแห่งทุกใช่ไหมเพราะอากุศลให้ผลเป็นทุกข์ทั้งในโลกนี้ให้ผลเป็นทุกข์ทั้งในโลกหน้านะจะไปเดือดร้อนอีกทีน่แหละใกล้จะตายนั่นแหละ โอ้นี่นะตอนนั้นถ้าเราทํากุศลไว้คงจะ ด, ดีนะก็จะพูดคล้ายๆ ค, ค, คุณวัญชูว่าสมัยที่มันแข็งแรงทําไมไม่เจริญกุศลทำไมไม่อ่านทําไมไม่เขาเรียกว่าทําไมทําไมทําไมทําไมก็นั่นแหละไปถามตอนที่มันตอนที่มันทําอะไรไม่ได้แล้วทําไมทําไมทําไมมันน่าจะน่าจะน่าจะนัะ่นนะทํ า, าทไมไม่อ่านพระไตรปิฎกห่อกันแล้วพระไตรปิฎกไม่มีไม่มียังไงพระพิมพ์เนอพศห้าร้อยัรอนะนั่นก็สําคัญว่าอ่านหรือเปล่าแค่นั้นเอง นนะทั้งกล่าวที่กล่าวไปนนะเหตุแห่งความเสื่อมก็8เหตุแห่งความพิวิเศษเนี่ยนะวิเศษสภาวยาก็8ก็สังเกตเอานะว่าถ้าเราเนี่ยดูถ้าจะเสื่อมหรือจะเจริญก็สังเกตจากเหตุ8อย่างละ8เนี่ยนะถ้าเหตุแห่งความเสื่อม8ประการก็รู้ทว่ากําลังเดินฝ่ายเสื่อมอยู่นะก็ถ้ารู้ตัวก็ทําไงถ้ารู้ตัวว่าเดินทางแห่งความเสื่อมมันนะเขาเขาจางเกสสอนแนะนำว่าไง อ๋อแก้ไขนะสาธุการเกย์สอบอกให้แก้ไขนะถ้ารู้ว่าเพี้ยนก็ผู้ ก, การ่ารักษาต่อไปปร้การบอกว่าดีแล้วดีแล้วทําต่อไปว่างั้นพูดเรื่องอื่นนะนะก็เอามาสายเรื่องนี้แทนส่วนธรรมะที่แทงตลอดได้ยากเนี่ยนะข้อที่ธรรมะแปดที่แทงตลอดได้ยาก อันนี้ทุปติวิชชาเนี่ยนะรู้ยากมากนะแต่ประการเนี่ยคือกาละที่ไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ย8ประการคือ8ดอย่างนี้นะถ้าใครตกอยู่ในฐานะ8นี้ไม่ใช่โอกาสที่จะประพฤติพรหมจรรย์เลยทั้ง8ดอย่างเนี่ยเพราะไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยไม่ใช่กาลไม่ใช่เวลาเห็นไหม ข้อแรกก่อนนะเห็นชัดเลยดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพระตถ า, าคตอรหันตสำมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้และพระองค์แสดงธรรมะเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความดับเพื่อยังสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้เป็นธรรมะอันพระสุคตประกาศแล้วแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงนรกเสียนี้เป็นกาละไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดในโลกแต่เราตกนรกทําอะไรได้ไหม ไม่ตกนรกแค่ป่วยๆไขๆนี่ก็ตัวร้อนไข้ขึ้นทั้งวันนี่ก็แย่อยู่แล้วนะถ้านั้นมันไม่มีอนุไหนที่เตโชธาบ ไ, ไม่ไม่ไม่ทำกิจเหมนนเถอะตารกตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยปวดหมดอะถ้าอยู่ในนรกเนี่ยนะใครอยากจะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนรกพิสดารหน่อยก็นะดูในเนมิราชชาดกก็ได้มหาทุกขคันทสูตรก็ได้ใน โกคาลิกสูตรในทัศกานิบาศก็ได้ในสุตตานิบาศก็มีแล้วก็ยังมีที่อื่นอีกในนิเทศก็มีฮั้นก็กล่าวถึงเรื่องนรกเอาไว้หลายๆแห่งอ่ะนะก็ดูอ่ะนะเช่นยกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างอ่ะนะเขาจับเอาเท้าขึ้นข้างบนแล้วนะแล้วก็ห้อยหัวลงเนี่ยแล้วเอามีดถากเนี่ยตอนนั้นจะเจริญสมถาวิปัสสนายังไงหรือไม่เขาก็จับให้นอนบนพื้นดินแล้วก็ใช้ตะปูเนี่ยตอกมือ สองข้างตอกเท้าอีกสองข้างแล้วตอกกลางอกอีกที่หนึง่งตกลงไปในแผ่นดินนั่นนะจะไปเจริญกรรมฐ า, านอะไรกันนะหรือว่ายูยูแล้วภูเขาอีกลูกหนึ่งมันเหมือนกับรถบดถนนเคยเห็นไหมมันอะมันมาบดบบนไต่กับพื้นแล้วก็ลุกขึ้นมาวิ่งต่ออย่างเงี้ยแล้วจับให้วิ่งขึ้นภูเขาผ่านเพลิงเงี้ยโอ้จะมาเจริญกุศลอะไรอันนเพราะฉะนั้นถ้าเข้าถึงนรกก็ไม่ใช่สมัยที่จะประพฤติพรหมจรรย์อะไรถึงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็ตามอันนี้ พระองค์เป็นพัฒนาคดพัฒนาคตด้วยเหตุแปดประการนะอรหันห้ารประการสัมมาสามาาัมพุทธะนิยไม่สิ้นสุดเนี่ยนะพระองค์นี้ก็แสดงธรรมะธรรมะแสดงธรรมะหมายถึงประกาศอริยสัจนะตรงนั้นคำว่าแสดงธรรมหมายถึงประกาศอริยสัจทำการประกาศอริยสัจเป็นไปเพื่อความสงบสงบตัวนั้นเป็นชื่อของพระนิพพานนะสงบแต่ก็บางทีก็หมายถึงอริยผลด้วยเป็นไปเพื่อความดับดับตัวนั้นเป็นชื่อของนิพพาน เป็นไปเพื่อความตรัสรู้อันนั้นเป็นชื่อของมัคคัพนตริกขาที่พระพุทธเจ้าประกาศก็คือเป็นไปเพื่อมัผลนิพพานแต่ว่าถ้าไปอยู่ในนรกนี่ก็จบเลยเหมงนั้นเนี่พระพุทธเจ้าเกิดก็เกิดเพื่อคนมีมีบุญเท่านั้นนะเนีเหมือนเหมือนอะไรเหมือนกับดวงอาทิตย์สองขึ้นมาในโลกอะนะคนตาดกีก็มองเห็นไปเราคนตาบอดเลยอดเลยะนะเพราะฉะนั้นพวกเข้าถึงนรกก็ไม่ต่างอะไรกัน แต่ว่าตาบอดในโลกไม่ได้เห็นดวงอาทิตย์กับตกนรกไม่ได้เห็นพระพุทธเจา้านี่อันนี้แฝงแค่เปรียบๆ น, นะแต่จริงๆแล้วมันห่างกันมากอีกข้อหนึ่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสามัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกนี้และพระองค์นี้แสดงธรรมะเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความดับยังศาสให้ถึงความตรัสรู้เป็นธรรมะอันพระสุโคตประกาศแล้ว แต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเสียนี้เป็นกาละไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่เพื่อพืช พ, พ, พรหมจารย์ข้อที่สองนะนะไปเกิดเป็นกุ้งหอยปูปลานี่ก็หมดเลยนะโกรธโหว่ายน้ําข้ามทะเลเงนะทำยังไงได้หรือไปเกิดเป็นนกเนี่ก็อดเลยไม่แน่นะบอกบอ ก, บอก็ข้างเขาวมันยังฟังคำได้มั่งอ่ะนะอันนั้นมันข้างเขานะขนาดเราเป็นคนยังไม่เคยจะฟังเลยไงก็ดูอ่ะทีนี้ แต่ถ้าไปเกิดเป็นช้างล่ะมัวแต่ไปขนลากซุงอยู่นี่ยนะมัวเป็นม้าเนี่ยไปลากรถม้าอยู่ลาปางเนี่ยนะกงเลงหน้าสงสารไหมปิดตาก็ปิดหมดให้เห็นแค่ถนนไม่ให้เห็นอย่างอื่นหมดแล้ ว, ลวก็ลากตัวนิดเดียวดีนะําม้าลาปางเขายังชั่วหน่อยม้าอินเดียเนี่ยก็โหหนักขนาด น, นี้ตัวก็เล็กนิดเดียวไปขนคนตั้งเยอะแยะไปหมดอ่้นะตัวนิดเดียวเลยนะถ้าเกิดโคอินเดียเนี่ยนะก็เดือดรอด้อนเียเหมือนกันแต่ก็บางบางช่วงก็เหมือนกับเทพพระเจ้า ไปได้เจ้าของบางอย่างก็แหมมตกนรกทั้งเป็นในโคเน่ยนะเพราะลากนี้บรรทุกอ่ยนะรถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยเขาใช้โคอ่ะนะคือว่าถ้าสินค้ามันหนักเท่ารถบรรทุกใช้โคตัวเดียวลากอ่ะนั่นเพราะว่าหนักมากอันถ้าไปเกิดเป็นเดรัจฉานนี่ไปให้เข า, า เ, ปเป็นกระเบืเนี่ยกระเบืออ่ะาให้เขาไถานาก็เดือดร้อนอีกนั่นเลยเกิดเป็นไก่มาขันกวนพระเทพอีกอย่างี้ก็ยุ่งอันถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็จบหมดสิ้นเลย อีกข้อหนึ่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกและพระองค์แสดงธรรมะเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความดับเพื่อยังสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้เป็นธรรมะอันพระสุคตประกาศแล้วแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงปิติวิสัยเสียนี้เป็นการไม่ใช่คณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่สามอย่างเปรตญาตพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะแกเป็นเปรตตั้งแต่ต้นกลับมาเลยพระพุทธเจ้ากระกูสันโธเกิดมาแกก็อดติด แทนที่ว่าคนอื่นเขาไปหาพระพุทธเจ้าไปเพื่อฟังธรรมใช่ไหมเปรตพวกนี้ไปถึงก็ไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์นี่อดยาหิวโหยมานานหรือเกิดเมื่อไหร่ข้าพระองค์จะได้กินบอกศาสนาของเราเธอไม่ได้กินหรอกเธอที่อีกแผ่นดินหนาขึ้นอีกหนึ่งโยชนี่นะพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมาณะจะเกิดขึ้นในโลกเธอคอยไปถามพระพุทธเจ้าองค์นั้นก็นแล้วกั น, น, นก็เป็นเปรตหิวไปอีกหนึ่งคุถันดรเนี่ยนะแผ่นดินหนาขึ้นอีกหนึ่งโยศประมาณ20สกิโลเนี่ย <c oughs> พระพุทธเจ้าโกนาคมนะเกิดขึ้นมาก็ไปถามอีกกานที่จะได้ไปฟังเทศนะไปถามว่าจะได้กินหรือเปล่าพระองค์ก็บอกว่าแผ่นดินน้าขึ้นอีกโยดหนึ่งพระพุทธเจ้าพนามกัสสปะจะเกิดขึ้นในโลกเธอไปคอยถามพระพุทธเจ้ากัสสปะเถิดก็ขอไปอีกหนึ่งแผ่นหนึ่งพุทธันดรนหนึง่งทีนี้พอพระพุทธเจ้าพระนามกัสสปะเกิดขึ้นก็มาถามอีกเธอไม่ได้กินในาศาสนาของเราหรอกเน่ยนะอีกแผ่นดินน้าอีกโยดหนึ่งพระ พระพุเจ้าพระนามาโคดมจะเกิด er. ขึ้นญาติของเธอจะได้เป็นพระเจ้าพิมพิสารหลังนั้นจะทําบุญอุทิศไปให้เธอนั่นก็คอยไม่จนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดพระเจ้าพิมพิสารมีพระเจ้าพิมพิสารทําบุญนิดไม่เลยทำไม่ได้กรวดน้ําให้เลยคันนี้เดือดร้อนในเขย่าเมืองใหญ่เลยคันนี้ไม่ได้กินอ่ะคว่างาั้นตอนหลังก็ทําบุญอุทิศส่วนพระเจ้าพิมพิสารก็ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะนั้นคอยมาสี่พุทธันดรเฉพาะเป็นเปรดนะ นะร่วมสี่พุทธันดรเน่ยนะไอ้ตกนรกอีกต่างหากอนะอันนั้นก็คือโทษโทษของอะไรกินของสงนะของที่เขาอุทิศสงแล้วตัวเองก็ไปกินก่อนแล้วก็ไปทําลายของสงในบางส่วนนะทั้งกินด้วยทั้งทําลายด้วยแล้วก็ของที่เขาอุทิศสงก็เอามากินเสร็จแล้วก็เหลือเศษเศษเด่นเด่นเนะี่ยไปไปให้พระพุทธเจ้าฉันเป็นต้นเนี่ยนะนะก็ตกนรกอยู่หลายพุทธันก็เป็นกลับกับอ่ะนะ ไปโทษอนะันนั้นหนักมากแล้วก็เป็นเปรตหิวอยู่แค่สี่พุทธันดรอ่ะนะนะก็หนักถามว่าเบากว่าพวกที่อยู่อยูอ่เป็นอสุรกายที่เกาะ อ, อยู่เขาจักรวาลน่ะนะถ้าเทียบนี่นะก็เบานะแต่จริงอนะพวกอสุรกายที่เกาะ อ, อยู่เขาจักรวาลก็เทียบกับพวกเปรตนี่แหละนัพนนะนั้นของผู้มีคุณทั้งหลายเนี่ยนะถ้ามีโทษก็มีโทษมากอั่นะนะนั้นถ้าเกิดเป็นเปรตเนี่ยนะพระพุทธเจ้ากระปุสันโทเกิดขึ้นมาในโลก เปรตก็อดอีกนะโกลนาคมาณะเกิดขึ้นมาในโลกก็อดอีกพระพุทธเจ้าพระนามวัคษาปะเกิดขึ้นมาในโลกก็ไม่ได้อะไรเนี่ยนะมันก็พระเป็นเปรตนี่ก็แย่เลยหรือไอเมืองราชครึกเนี่ยนะนะเขาบอกว่าล้อมล้อมเมืองราชครึกเนะี่ยเป็นนครเป็นที่ตั้งแห่งเปรต เ, เขาบอกงั้นเมื่อว่าบริเวณรัศมีนั้นอนะเปรตมาก แล้วก็ในอัตกระถาจะอธิบายไว้เหมือนคือทั้งเมืองราชครืทั้งเมืองสาวัตถีเนี่ยถ้าไม่ใช่สมัยพุทธกาลจะเป็นเมืองร้างนะถ้าไม่ใช่สมัยที่จะมีพระพุทธเจ้าเกิดเนี่ยนะเมืองนั้นจะเป็นเมืองร้างแล้วก็ร้างจริงๆนะทุกวันนี่ก็ร้ า, รางก็พระพุทธเจ้าพนามว่าเมตตาญาจะเกิดขึ้นค่อยเจริญรุ่งเรืองใหม่แต่ก็จะเป็นเมืองร้างนะนะเพราะในตัวเมืองราชาเครือเองแม่ร้างเลยเมืองร้าง แล้วก็ไอ้เมืองราชครืกเนี่ยเปรตไม่รู้กี่ชนิดเนี่ยนะตอนที่พระลักขณะกับพระโมคคานณะลงจากเขาพิจิกูดไปบินทบาบเนี่ยก็เปรตยี่สบกว่าชนิดนะนะที่พี่พระลักขณะเล่าให้ฟังอ่ะที่พระมหาโมคคานะเล่าให้พระลักษณฟังและพระพุทธเจ้าก็รับรองทีนี้ถ้าผู้การธนัตจะไปครั้งนี้ก็คงจะพอมีให้เห็นนะนะคนที่ไม่ต่างจากเปรตนักนันนะขาดแขนขาดไปข้างหนึ่งบ้างตาโบไปข้างบ้าง น, น, นะแมลงหวีตอมหึงไปบ้างอนะ คืออยู่ตามบันไดเป็นขั้นขั้ขขั ข, ข, ข, ขึ้นกว่าจะขึ้นถึงดอยเนี่ยก็มีนั่งอยู่หลายตำแหน่งให้เห็ น, นเนี่ยนะร้อนจ้าจ้าเนี่แหละไปนั่งตากแดดคอยขอทานจะได้สักห้ารูปีหรือเปล่าก็ไม่รู้วันหนึ่งอันนี้แก็ช่วงนั้นถึงจะมีพระพุทธศาสนาจะไปทําอะไรได้ใช่ไหมนั่นก็ยากเหมือนกันนะถ้าไปเกิดเป็นแปร น, น, นเนี่ย อีกข้อหนึ่งพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระองค์นี้แสดงธรรมะเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความดับยังศาสให้ถึงความตรัสรู้เป็นธรรมะอันพระสุคตประกาศแล้วแต่บุคคลนี้เป็นผู้เข้าถึงเทพนิกายที่มีอายุยืนอย่างใดอย่างหนึ่งเสียคือเป็นอสัญญาสัตว์เนี่ยนะมิใช่กาละมิใช่ขณะมิใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้เป็นข้อที่4ถามว่าทำไมจึงเน้นอสัญยาสัตว์เนี่ยนะนะแล้วอรู ป, ปรพรหมละ่ะ อรูปป ร, รมนี้ไม่กล่าวเพราะว่าในอรูปป ร, รมยังมีผราริยะอยู่เหนไหมมีผู้ที่เป็นพระโสดาบันและจะไปบรรลุที่อรูปป ร, รมแต่ว่าอาสัญญาสัตว์นี่หมดเลยเนไมไม่ไม่มีโอกาสเลยเนไเพราะว่าอาสัญญาสัตว์นี้ก็เอาไว้ชีวิตเหมือนกับรูปปั้นอย่างเดียวนะคิดอะไรก็ไม่ได้มีแต่รูปปั้นชีวิตนวากะกราบเนี่ยมีอยู่เท่านั้ น, น่ะ แต่ก็งามนะไม่ใช่ว่าอย่างที่กล่าวนี่ไม่ใช่ไม่งามนะไม่มีอะไรเทียบเปรียบเทียบได้หรอกความงามของอสัญญาสัตร์เหล่านี้นะถ้ามองในแง่สีสันเนี่ยงามมากนะมีรสมีออกจากตัวนะจริงๆแล้วงามมากแต่ว่าไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรเลยมีแต่รูปเนี่ยนะมีใครเอาอรน ะ, ะมีแต่นามก็ยังชั่วหนะยังคิดได้บ้างนหะห่วงมากนะห่วงคิด อ, อีกข้อหนึ่งพระตถ า, าคตอรหันตสัมมาสามพูตา เ, เจ้าสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกและพระองค์นี้แสดงธรรมะเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความดับยังสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้เป็นธรรมะอันพระสุคตประกาศแล้วแต่บุคคลนี้เป็นผู้เกิดในปัจจันตะชนบทอันเป็นถิ่นของชนชาวมิลักขะเป็นผู้ไม่รู้ซึ่งมิใช่คติของพิสุพิสุนีอุบาสกอุบาสิกานี้เป็นกาละไม่ใช่ขณะไม่ใช่สมัยเพื่อจะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ข้อที่ห้า ไปเกิดในปัจจันตะชนบทที่บริษัทสี่ไม่ไปเลยอ่ะนะตอนนี้ก็ที่ไหนบ้างที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีุบาสกุบาสิกาที่นั่นทั้งหมดเรียกว่าปัจจันตะเนี่ยนะถ้าไปเกิดอยู่ที่นั่นเนี่ยนะเป็นคนที่นั่นเลยนะเกิดอยู่ที่นั่นอะไรจะเกิดขึ้นสถานที่ที่ไม่มีภิกษุภิกษุณีอุบาศกอุบาสิกาทีนี้เอกภิกษุภิกษุณีบาศกุบาสิกาตรงนี้หมายถึงผู้ที่มีความรู้ในพระไตรปิฎกนะ ไม่ใช่ศักแต่ว่าเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเฉยๆหรืออุบาสกที่นับถือเฉยๆแต่หมายถึงอุบาสกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่มีความรู้ในพระไตรปิฎกะนะถ้าไปเกิดในที่ที่ท่านเหล่านี้ไม่ได้โคโจรไปอะไรจะได้จะได้อะไรบ้างะนะเช่นไปเกิดที่ไหนดีแอฟริกาทั้งทวีปเลยเอายกให้ทั้งทวีปเลยนะเป็นจกักรพรรดิอยู่ที่นั่นนะอดเลยหมดสิทธิ์เลยนะ ก็ไม่รู้ว่าไม่รู้จะอยู่เผ่าไหนดีเนาะก็ที่ไหนบ้างอะที่หน้าอยู่บ้างอะนะตอนนี้ที่มันจะเนี่ยนะไปเกิดตะวันออกกลางนี่หมดติดเลยนะตะวันออกกลางเนี่ยทั้งทั้งตะวันออกกลางเลยนะเพราะว่าแม่แต่พระพุทธรูปก็ยังไม่ให้เอาเข้าเลยอหนังสือธรรมะเนี่ยนะถ้าเป็นแบบถ้าเขารู้ว่าเป็นหนังสือธรรมะเขาไม่ให้เอาเข้าเอาเนี่ยนะไม่ให้เอาเข้าถ้าหนังสือที่มีภาพพระพุทธรูปอยู่เขาไม่ให้เอาเข้าประเทศเขาเนี่ยนะ อย่างที่โยมเขาเล่าอ่ะยอมเขาไปประเทศเ ย, ยเมนนี่นแหละเขาไปทำงานที่นั่นเขาบอกว่าหนังสือที่มีภาพพระพุทธรูปไม่ให้เอาเข้าโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะเ ข, า, ขาไม่ให้เอาเข้าอ่ะเพรา ะ, ะถ้าไปเกิดบางแห่งนะเขาตัดสิทธิ์หมดที่จะไม่ไม่คุณไม่ต้องไปนับถือพระพุทธเจ้าเมื่อคืนได้ฟังแล้วถึงเทศกาลที่จะฆ่าสัตว์บูชายังนั้น แล้วนะก็ฆ่าแล้วก็ต้องแบ่งเป็นสามส่วนนะนะตามรับที่ของเขาอ่ะซึ่งก็พระรามนี่ก็ไม่ได้ทำน้อยๆนะที่อินเดียเขาก็ที่ไอกละกคตาเนะีกาลีอ่ะนะคือคือมาจากกาลีอ่ะคือคือไอรัตน์นั้นนะ่ะเขานับถือเจ้าแม่กาลีมากสมัยโบราณเนี่ยเขาจะฆ่าคนเลยนะเพื่อบูชาเจ้าแม่กาลีนะตอนหลังก็ไม่อนุญาตก็ฆ่าแต่สัตว์แต่ก็ว่างๆก็ยังมีคนหายไปเรื่อยเหมือนกัน ถูกจับไปตัดหัวเพื่อบูชาเจ้าแม่เจ้าแม่ทําไมดุจังก็ไม่รู้นาะกินเนื้อกินแต่เลือดแล้วก็ในในสูตรหนึ่งอ่ะชื่อมหาสมัยสูตรเนี่ยที่ท้าวมหาราชทั้งสีเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วก็ไปบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกยักษ์ไม่ค่อยชอบนะ เพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เว้นจากปานาติบาตอธินนาทานการเมสุมิจฉาจารมุสาวาตเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยอ่ะเพราะยักษ์บางพวกอ่ะผิดศีลห้าเป็นปกติเพราะฉะนั้นยักษ์ก็ไม่ค่อยชอบพระพุทธเจ้าานั้นจริงๆแล้วไเกิดเป็นสุคติได้คืออ่าอย่าลืมว่าเจตนาที่นำเกิดนะมันไม่ใช่อุปชาเวทนิยกรรมคือดวงที่เจดของชาติที่แล้ว มันอัปราปริยะตั้งกับปางไหนไม่รู้มานําเกิดอ่ะเนี่ยนะพ่อพ่อไอปฏิสนธิที่อย่างอย่างปฏิสนธิเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ดวงที่สองนำเกิดอ่ะขออภัยไม่ใช่ดวงที่เจ็ดนำเกิดอย่างเดียวถ้าดวงที่เจ็ดนำเกิดอะพื้นฐานชาติที่แล้วเขาทาบุญมาแต่ถ้าดวงที่สองถึงดวงที่หกนะระหว่างเนี่ยห้าหกสิบชาตินี่ไม่ได้ทําบุญอะไรเลยอะแต่ว่าบุญเมื่อสักแสนกับที่แล้วมานําเกิดอะนะ เรียกว่าเชื่อในการทําบุญมามันไม่มีเลยในระหว่างใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ไปเกิดแล้วก็ยากนะในในคัมภีร์เนี่ยพูดถึงการนําเกิดประเภทอ布拉ประเจตนาเนี่ยค่อนข้างมากเพราะว่าชาติที่ถัดๆไม่ค่อยได้ทําบุญอะไรเลยเนี่ยนชาติ ท, ที่แล้วที่แล้วที่แล้วก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ทําบุญแต่ว่าก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าเห็นว่าไม่ใช่ดวงที่เจ็ดของชาติที่แล้วเนี่ยนําเกิดนั้นดวงที่สองถึงดวงที่หกไม่รู้ว่าไปล่วงเอาบุญมาตั้งกับปางไหนไม่รู้มานําเกิดอนะที่เหลือเนี่ยอัธยาศัยเนี่ยบาปหมดมีแต่บุญเท่านั้นที่มาให้นําเกิดเป็นมนุษย์นะนะที่เหลือก็บาปบริสุทธิ์เลยคันนี้พูดให้ดีนะพูดเกิดมาใช้กรรมไหมพูดผิดพูดใหม่ได้ กรรมก็ถูกส่วนหนึ่งอา้อาวต่อไปต่อไปอกแก้แก้ให้มันเสร็จไนหะอีกส่วนหนึ่งก็แล้ก็ทำบุญอีกก็ได้ครับจากครูทวารวิถีเนี่ยนะรับกรรมหรือทํากรรมมากกว่ากันกรรอ่านะที่รับกรรมนะั่นคือจิตเห็นสัมปติชนะสันติชนะชาวนะเจ็ดวงให้ทากรรมนะวิถีเดียวอะเอาคิดดูในะชาตินี้คุณเกิดมานะคุณหลับกับคุณตื่นไหนมากกว่ากันทั้งชาติเลย ตื่นกับหลับปไหนมากกันอช่วงที่รับกรรมบริสุทธิ์เลยคือช่วงหลับเว้นฝันนะฝันนี่ถือว่าตื่นอยู่เพราะนั่นเถอว่าหลับมากเลยตื่นมากตลอดเวลาที่ตื่นเนี่ยทํากรรมใหม่หมดก็กินบุญเก่าเอาสิทำไหมล่ะก็ดีแต่ว่าต้องทําเยอะๆฟัตื่นต้องทําเยอะๆ แต่นะมากุศลต่อยกันนะโทษฐานหลับมานานแล้วใชพร่องมานานแล้วจะต้องรีบทําบาปให้มากยิ่งขึ้นคือว่าไปจริงๆแล้วนะชีวิตเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยที่เกิดมาในโลกเนี้ยหลับเนี่ยเอาเอาเฉพาะที่หลับสนิทนะช่วงนั้นอนะทํามเกิดว่าสวยผลบุญรุ่นด้วนอะนะที่เหลือนี่ทํากรรมใหม่หมดนะคืจริงๆว่าเกิดมาใช้กรรมหรือว่าเกิดมาทํากรรมก็อยู่ด้วยกันนะนะั่นแหละใกล้ๆกันนะนะั่นแหละ ทั้งใช้ทั้งรับอ่ะนะก็เหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาวันนี้นะเกิดมากินผลงานของทำไว้วันก่อนหรือทำเพื่อจะกินวันต่อไปด้วยมันก็อยู่อย่างงี้ทั้งบริโภคของเก่าด้วยทำใหม่ด้วยหาใหม่ไปด้วยนะนก็อยู่อย่างนี้ตลอดวันวันอนแล้วคุณคิดได้คิดใช่ไห ม, มอ๋อ น, นาทนาคมาไปกัดดนทั้เรื่อง นึกว่าได้เจริญอย่างนี้ปัจเวกอย่างนี้เลยนะเอาแบบพระโพธิสัตว์อนะชําระศีนเลยมาเย็นในชําระสินในวันนี้ไปผิดสีนอะไรบ้างอ่าที่ผิดสมาทานแล้วตื่นเช้ามาปารบศีลก่อนวันนี้จะต้องไม่เสียสินเลยนะคุณลาวันเจริญลอยแบบนั้นใช่ไหมก็อนุมโมทนาด้วยนะถ้าทําอย่างนั้นโอ้ยไม่รู้ทำไมทําตอนนี้ก็ไม่จะไม่มีเวลาทําแลนะ้วเน้อจะต้องรีบๆทําเอาไวนะ้นะนะหมดเวลาทําแนละ้วยุ่งเหมือนกัน เป็นสมัยผลบาปตลอดแต่บุญบางอย่างมาอุปธรรมเอาไว้เดชะชานบางอย่างก็มีบุญมาอุปธรรมสําหรับเดชะชานที่ค่อนข้างมีบุญนะนะมีเจ้านายดีๆแย่พวก น, นี้ยบุญมาอุปธรรมไหมมีคนกลางมุ้งให้มีคนคอยใส่เสื้อผ้าให้มันมีคนคอยอาบน้ําให้อะไรให้อนะ คุณอะไรทองของพระเจ้าหวนั่นนะคือคุณทองแดงนะคะก็ทาจริงๆพ่ตื่นมาก็ต้องเอาอาหารสับๆเขามันเปื่อใช่ไฟันไม่มีใช่ไหมก็คลุกนั่นน่ะจนข้าวโป้งก็เรียบเรียบร้อยก็นอนนั่นแหละมันกินบุญเก่านะมันกินบุญเก่าจริงๆใช่ขณะเดียวกันมันก็ตื่นมาเมื่อไหร่มันก็บาปโดยมากใจเสื้อเยื่อแต่ว่าไม่ไม่ต้องห่วงนะเนะ เอาไหมล่ะที่จะให้เป็นแบบนั้นนะคุณลาวันถ้าเราไปอยู่สภาพนั้นเอาไหมล่ะเราเลี้ยงมันเพื่อมันจะม่เป็นแบบนั้น อ, อ๋อเอคิดอย่างนี้นะคะคิดแล้วม้าอ่นๆเนี่ยเป็นจรนจัดทั้งแสนกับตัวทําไมไม่ทำกองทุนอัไรนั้นบ้างอะแสดงทําไมเลือกรักเป็นตัวๆไปก็เลือกสายมันหมดหมดนับเลี้ยงให้มันหมดหมดไปไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ <ๆ S 2> ไหนๆก็ๆหรือว่ามันผูกพันเฉพาะกับตัวเดียว ไอ้แต<อ>่อย่งงางนั้นก็ไม่ใช่กุศลนะนะถ้าไปเรียกว่าถ้าเลือกที่รักมักที่ชังเนี่ยนะเอาเป็นตัวๆไปนี่ไม่ใช่แล้ ว, วลานะนะอรัดีอาจจะนึกไปนึกมาก็ากเลี้ยงเป็นเพื่อนแกงเหงาไปท่า น, นี่ไม่ใช่บุญนนาาเนื่อมองเพราะละไม่ต่ละเออถ้าไปเกิดเป็นถึงเป็นคนเน <G> ีย่ยนะถ้าไปเกิดในที่ที่เป็นปัจจันตชนบทสถานที่ที่ไม่มีคําสอนนะนะว่าให้ตรงอนะนะ เป็นคนนะ่ะแต่ไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคำสอนเลยอะ่ะเกิดมาไม่ได้ยินเลยนะพระพุทธเจ้าคือใครไม่รู้เลยดีไม่ดีอย่างอย่างเด็กอเมริกาบางคนเกิดมานะเขาเขาเป็นเด็กที่เห็นภาพพระพุทธรูปแล้วชอบเลยอะ่ะแต่เขาเกิดใน ใ, ใ, ในในศาสนาอื่นนะ่ะเนี่ก็ถามพ่อแม่ว่านี่รูปใครบอกซาตานรูปอห็นซาตานรูปเห็นพระพุทธรูปว่าซาตานเลยนะแต่เด็กคนนี้มันก็ฝักฝ่นะ มันก็ติดใจมันชอบภาพอันนี้มากชอบรูปพระพุทธรูปมากมันก็คอยติดตามดูว่าคือใครอยู่ที่ไหนมันโตขึ้นมามันเรียนมันก็สนใจอันนี้ตลอดตอนหลังก็หันมาศึกษาศาสนาก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธก็ ม, มีอันนั้นก็ยังพอมีรูปปั้นให้เห็นบ้าง น, นะไปบางแห่งไม่มีรูปให้เห็นเลยอ่ะจะทําไงคระนี้นั่นก็ยากมากตอนนี้เกิดในประเทศไทยนี่ก็แย่ยเต็มทีแนละ้วไม่รู้จะไปเรียนธรรมะที่ไหนเหมือนกันเนละ มีลักขาก็คือพวกที่ไม่ใช่อารยะคือประเภทมีลักขาโดยสามก็คือพวกคนดําหมือนนะคนดาก็คือพวกโดยการศึกษาพวกไม่มีโอกาสนั่นเองอะ่ะพวกไร้โอกาสที่จะศึกษาเนี่ยนะอีกข้อหนึ่งถ้าตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกพระองค์นี้แสดงธรรมะเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความดับ อย่างสัตว์ให้ถึงความตรัสรู้เป็นธรรมะอันพระสุคตประกาศแล้วส่วนบุคคลนี้เป็นผู้เกิดในมิตรมัชชิมชนบทแต่เขาเป็นคนมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดอ่านะเกิดในแถวแถวัวดทัชเชตวันน่ยสมมตินะพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมานี่แหละแต่ว่าเขาถือว่าให้ทานไม่มีผลอ่านะให้ทานไม่มีผลเนาะคนโง่บัญญัติขึ้นอ่านะคนฉลาดเป็นคนรับหวัา ง, งาอันนั้นก็เลยไม่ให้ทานไม่มีผล ทำบุญเสียเปล่าเพราะว่าอย่างอื่นยังคอเหลือได้กินตอนหลังวางเงี้เขาว่างกันตนนี้ก็ตัวนี้ก็เลยปฏิเสธการให้หมดการบูชาไม่มีผลการบูชาเนี่ยบูชาพระเจดีย์บูชาพระธาตุบูชาอะไรทั้งหลายไม่มีผลหรอกรอการเส้นสวงหมายถึงการต้อนรับการเชื้อชนเนี่ยไม่มีผลปฏิเสธการต้อนรับอคันตุกะทามเนี่ยนะประเภทเนียปฏิเสธหมด ปฏิเสธว่าผลวิบากของกรรมที่ทําดีทําชั่วไม่มีโอ้ยบุญบาปไม่มีรอกแบบนั้นเถอะอันนั้นทำดีได้ดีมีที่ไหนแบบนั้นอันนัก็ปฏิเสธเนี่ยทำชั่วได้ดีมีถมไปอ่ะนะทิศที่ที่อันนี้เกิดขึ้นมาก็ก็ขวางที่จะไม่ให้ศึกษาถ้าทำคําสอนที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ปฏิเสธว่าโลกนี้ไม่มีหมายถึงว่ากรรมที่ทําในโลกที่แล้วหรือชาติที่แล้วมาให้ผลในโลกนี้ไม่มีรอก อันะันบุญบาปที่ชาติที่แล้วมาให้ผลในชาตินี้ไม่มีหรือว่าโลกหน้าไม่มีไหมถึงว่าไอ้ที่ทําในชาตินี้ไม่มีผลต่อโลกหน้าไรรอกเนี่ยนะก็ปฏิเสธผลที่จะเกิดขึ้นในโลกหน้าปฏิเสธว่าทําดีทําชั่วกับพ่อแม่ไม่มีประโยชน์สมอว่าถ้าจะด่าจะตีพ่อแม่นะไม่มีประโยชน์เออขอไปไม่เป็นบาปทําดีเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ไม่เป็นบุญเนี่ยนะก็อันเนี้ก็เป็นมิจฉาทิฐิซึ่ง อนาคตยุคข้างหน้าต่อไปนะเขาบอกว่าถ้าใครเลี้ยงดูพ่อแม่กระตันยูเนี่ยเขาจะนินทาเขาจะตําหนิเอาแต่ถ้าใครขูดรีดพ่อแม่ได้เนี่ยเขาจะยกย่องจะเป็นที่นับถือในสังคมนั้นๆอย่างทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยนะถ้าเป็นสังคมยาเสพติดนะสมมุติว่าเป็นลูกเชื่อฟังพ่อแม่นะกลุ่มยาเสพติดจะยกย่องเด็กประเภทนี้ไหมก็ไม่ยกย่องจะยกย่องพวไหนใครไปขูดพ่อแม่ได้ไม่กี่ตังค์ไว้วันนี้นะไป บรทุศร้ายพ่อแม่ได้มากี่ร้อยไงนะเขาเพื่อจะได้มาซื้อยานี่เขาจะยกย่องมากนะว่าโอ้ใจถึงจริงๆยอมรับว่าเป็นวีรบุรุษในในกลุ่มนั้นน่ะนะนั้นในยุคต่อตไปเนี่ยเขาก็ปฏิเสธหมดพ่อแม่ไม่มีไม่ไม่ไปทําดีทําชั่วไม่มีประโยชน์อะไรเลยเนี่ยนะมันเขาก็มีรัที่อันใหม่ว่าพ่อแม่มีหน้าที่ทําให้ลูกเพราฉะนั้นจะต้องมีหน้าที่เลี้ยงนะคือมีหน้าที่ทําให้เกิดเพราะฉะนั้นต้องมีหน้าที่เลี้ยงเพราะฉะนั้นจะเรียกเมื่อไหร่ต้องได้ เห็นไหมท่านก็ก็จะเข้าใจผิดไปหมดแล้วพ่อแม่ทุกวันนี้ก็ยอมรับว่าตัวเองนี่เป็นลูกหนี้ใช่ไม้มที่จะต้องใช้มันเข้าใจผิดหมดเลยนะพ่อแม่ก็เข้าใจผิดไอ้ลูกก็เข้าใจผิดอีกพ่อแม่ก็เข้าใจผิดคิดว่าตัวเองนี่เป็นเป็นหนี้ของลูกของหลานไอ้ลูกหลานก็คิดเข้าใจผิดอีกว่าตัวเองนี่เป็นเจ้าหนี้ของพ่อของแม่มันก็เลยบาปทั้งคู่กันนะเต็มที่สุดแ้วแมาแต่งงานกับอาจารย์นักเตะเซี่ยนะคะแต่ว่าบูมที่สุดอะ คุยกันดีเลย